เจเนกะบุคคลจากขุนทริยะมูลกระใน423อนุจากขุนสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสตินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิโสตินรียของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดคานินรีย์ เอกินซีปุริสินซีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิปุริสินซีของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดอนุจากขุนศีของบุคคลใดไม่เคยเกิดชีวิตินซีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิชีวิตินซีของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิด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 จตินรีปัญญินรียวินินรียของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิมวินินสีของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดจากขุนสีของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดจากขุนทริยะมูลกะในจบคานินทริยะมูลกะในสี่ร้อยยี่สิบสี่อนุคานินรียอิทธินรีปุริสินรีย ทีวิตินรีโสมนสินรีโอุเบขินสีสัตินสีปัญญินรียของบุคคลใดไม่เคยเกิดมนินทรียของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดปัญญินรียของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดคานินทริยะมูลกะในจบปัจเจเนกาโอกาส จกขุนธริยมูละกะนนใน425อนุจะขุนสีในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตินรีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมปัจเนกะปุขโลกาดจกขุนธริยมูลกะใน426อนุจกขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ โสตินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปัจชิมภวิกบุคคลในปัญจโวการาภูมิโสตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่ไม่เกิดเกิดบุคคลผู้อุบัติ ung, อยู่ในสุทธาวาสภูมิอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิ ung, โสตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและจากขุนศีก็ไม่เคยเกิด อนุจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคาเนนรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิคาเนนรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิประชิมพวิกะบุคคลในกาลปวจรภูมิและบุคคลผู้อุปัตติอยู่ในรูปปวจรภูมิคาเนนรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิด แต่จากขุนศีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปาอยู่ในสุทธาวาสภู ม, มิอาศัยใสัตตภู ม, มิและอรูภู ม, มิคานิรีของบุคคลเหล่านั้นในภู ม, มินั้นไม่ใช่จากเกิดและจากขุนศีก็ไม่เคยเกิดอนุจากขุนศีของบุคคลใดในภู ม, มิใดไม่เคยเกิดอิทธินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอิทธินศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิด จากขุนศีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิกะบุคคลในกาลมาวจรภูมิบุคคลผู้อุปบัติอในรูปวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปริจักเกิดได้ถือปฏิสนที่ในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอีทิ้นศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิอาศัยในสัตตภูมิและอรูปภูมิอิทธินิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและจากขุนสีก็ไม่เคยเกิดฮนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสิณศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสิณศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม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 ริสิ่งสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและจากขุนสีก็ไม่เคยเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปาจูในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตินรีไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้อุปาจูในสุทธาวาสภูมิ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 บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิและปถิมภวิกะบุคคลในรูปภูมิชีวิตสินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจากขุนสีก็ไม่เคยเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนัสสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสมนัสสินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด จากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพรวิกคะบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีจากสุเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานสมณสินศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิอาสันสัตตภูมิและอรูปภูมิ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 ปัจฉิมผวิกกะบุคคลในรูปภูมิและบุคคลผู้อุบาจุณิอสัญญัตถภูมิจากขนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเปกินสีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดจากของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมผวิกกะบุคคลในปัญจโวัวกรภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีจากผูกเกิดได้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 สัจตินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สัจทินซีไม่ใช่จากเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิปัจฉิมภวิกระบุคคลในอรูปภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสัจทินซีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิ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 ชาตินิสของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและจักขุนศีกก็ไม่เคยเกิดอนุจักขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญรีมณินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจักขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มณินรีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิ ปจิมพวิกรบุคคลในรูปภูมิและบุคคลผู้อุบถัมภอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมณีศีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิมณีศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกรบุคคลในปัญจะโวกาลภูมิมณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิด ได้จกักขุนศีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิปัจฉิมภวิกะบุคคลในอรูปภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตภูมิเมนินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจกักขุนสีก็ไม่เคยเกิดจากขุนธริยมูลกะในจบค้านินทริยมูลกะในสี่อยี่เจอนุค้านินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด อิจิณสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอิจิณสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดการเงินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปัจจิมพรวิกรบุคคลในการมรรจภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้เธอปฏิสนทิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอิจิณสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิด แต่คานินทรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปาอยูในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอิทธิ์รียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและคาเนนรีย์ก็ไม่เคยเกิดอนุคาเนนรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสิทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสิณรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิด การเงินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิเคราะบุคคลในกามปวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานปุริสินจีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่การเนินรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปายูในรูปปวจรภูมิและรูปาวจรภูมิปุริสินจีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิด และขาเนินสีก็ไม่เคยเกิดอนุข่าเนินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตตีนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิค่าเนินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตตีนสีไม่ใช่จักไม่เกิดประชิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิ คาเินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมิน <im articulated ule issues> ั <im News nota> <im> ้นไม่เคยเกิดและชีวิตจินทรียก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิชีวิตจินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดคาเินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปฏิทินพรวิกรบุคคลในกาหมวจรภูมิชีวิตจินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่คลาเินรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดปฏิทินพวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิ ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและคาร์เนนรียก็ไม่เคยเกิดอนุคารนินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสมนสินทร์สีของบุคลคลนั s <S ้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบ่าอยู่ในรูปปาวจรภูมิคารนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สมนสินทรีย์ไม่ใช่จกไม่เกิดปัจฉิมพรวิกรบุคคลในรูปปาวจรภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัยใสัตวภูมิอรูปภูมิค่าเนนรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสมณสินสีก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดค่านินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปิ้งพระพวิกะบุคคลในกางมวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีค่านันเกิดได้มีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพาน โสมนสินสีของบุคคลเหล่า <você> น so oh. ั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่คาินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดประทิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุปาจูในอาศัยใสัตวภูมิอรูปภูมิโสมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและคานินทรียก็ไม่เคยเกิดอนุคาเนนซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโอเปบขินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผ on oh, right. right. right. right ู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคารเินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่อุเป็ขินรีไม่ใช่จักไม่เกิดปฏิบิณฑวิกคะบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตวภูมิคารเงินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเป็ขินรีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิอุเป็คินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด คานินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิประชิมพรวิกรบุคคลในการมปวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติและปรินิพานโอปเปคินสีของบุคคลเหล่านั้ น, นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่คานินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดประชิมพวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปปวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติจึงเนสันยสัตสตภูมิ อเปคินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและคาเนนรีย์ก็ไม่เคยเกิดอนุคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตตินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สัตตินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิด ปฏิมิวิกกะบุคคลในรูปปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุปาตุในสารในสัตตภูมิคลานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสัตถินรียก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิสัตถินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดคลายเนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปฏิทินผวิกกะบุคคลในกาโมวจรภูมิสัตถินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิด แต่การินรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดประทินพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสัตินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและคานินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดอนุครานินรียของบุคคลใดในภูมิใดาไม่เคยเกิดปัญญินทรีย์มะินทรีย์ของบุคล ค, บคลนั้นในภูมิ น, นั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวี บุคคลผู้อุบ <unless> ัต <IT US> ิ <hab ible> ์ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคาเนนรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จากเมื่อเกิดปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศนิสัตภูมิคาเนนรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนินทรีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิมนินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิด คาณินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพวิกะบุคคลในกลางมอวจรภูมิมนิีนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คาณินทรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดปัจฉิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันในสัตตภูมิมนิีนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคานินทรียก็ไม่เคยเกิด พระนิทริยามูลกะในจบเอทินทริยามูลกะใน428อนุเอทินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินสีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดเอทินรีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ ปะชิมภวิกระบุคคลในกาาลางมวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั่นนั่นแหละและปรินิพานปริสินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่อิทธินีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรมป์วจรภูมิปริสินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและอิทธินีก็ไม่เคยเกิดอนุ เอกทินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตทินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติจุนในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอิทินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตทินทรียไม่ใช่จักไม่เกิดประทิ้นพระวิตริบุคคนในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอิทินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตทิ้นรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิด ปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิประชิมพวิกรบุคคลในการมวจรภูมิชีวิตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่อิทธินรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดประชิมพวิกรบุคคลในรูปวจรภูมิและอรูปวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและอิทธินรียก็ไม่เคยเกิด อนุอิจฉินศีของบุคคลใดในภูมิใดเมื่อเคยเกิดสมนณศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอิจฉินศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อเคยเกิดแต่สมนณศีไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉินพ ARA วิกคะบุคคลในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุปบัติอยู่ในอาศนิสตาภูมิอรูปภูมิอิจฉินศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อเคยเกิด และสมณสิสนสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอิทินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิประชินพวิกรบุคคลในกร า, ร า, ารมวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจักอุบัติและปรินิพานโสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและอิทธินสีไม่ใช่มีเคยเกิด ปาฏิญพวิกะบุคลในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอนสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิโสมุนสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและอิทินรีก็ไม่เคยเกิดอนุอิทินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปขินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ อิทธิีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่อุเบกิณศีไม่ใช่จากไม่เกิดปฏจฉิพวิตรบุคคลในรูปาวจรภูมิ ury, อารูปาวจรภูมิและบุคคลผู้ mm. อุบัต um ิอยู่ในอาศนิสตตภูมิอิทธิศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเปกิณศีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิอุเปกิณศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดอิทธิีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ ปชิมผวิกระบุคคนในการมาวจรภูม el ิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้และมิจิเป็นโสมนัสจากอุบัติและปรินิพานโอเปขินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่อิทธินซีไม่ใช่ไม่เคยเกิดปชิมผวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิอุเปขินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและอิทธินซีก็ไม่เคยเกิด อนุอิถ e ินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตถินรีปัญญินรียมณินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปายูในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอิทินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุปาจูในอสัญญสัตตภูมิ อิทธินิสของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมณิณรียีก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิมณิณริสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดอิทธินิสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปฏิจิมภวิกะบุคคลในกามาวจรภูมิมณิณริสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่อิทธินิสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดปฏิจิมภวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอัศัยใสัตวภูมิมนีจีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและอิทธินีก็ไม่เคยเกิดอิทธินทรียมูลกะในจบปุริสินทรียมูลกะใน 429. อนุปุริสินีสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตสินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบานอยในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิปุริสินีีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตสินีไม่ใช่จักไม่เกิดประทิมพรวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิปุริสินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด และชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดปุริสินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิประชิมภืชกะบุคคลในกลามาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่ปุริสินทรียีไม่ใช่ไม่เคยเกิดปัจชิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิด และปุริส哈哈哈ินสีก็ไม่เคยเกิดอนุปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสมณสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปายูในรูปาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จักไม่เกิดปะชิมพระวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุปายูในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิ ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสมณสินสีก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิประชิมพรวิเคาบุคคลในการมวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสักเกิดได้และมีจิตเปนูเบิดขาจากอุบัติและปรินิพานสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิด แต่ปุริสินีไม่ใช่ไม่เคยเกิดปัจจิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุปายูใ น, นอสัญญสัตตภูมิอรูปภูมิสมุนสินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและปุริสินีก็ไม่เคยเกิดอนุปุริสินีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเบขินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปายูในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อเคยเกิดแต่อุเบกินสีไม่ใช่จากเมืเ่อเกิดปัจฉิมพระวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอโรปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตถภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อเคยเกิดและอุเบกินสีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิอุเบกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ ปทิมภวิกระบุคคนในกรรมวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสากเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจักอุบัติและปรินิพานอุเบกขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดปดทิมภวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและอาศัสยสัตตภูมิอุเบกขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและปุริสินสีก็ไม่เคยเกิดอนุ ปุริสินีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชาตินทรีนยน์ปัญญินทรีย์มณินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิปุริสินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มณินทรีย์ไม่ใช่จักเมื่อเกิดปัจฉิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้ <uli> อ, อ, อุบัติอยู่ในอาศันสัตตภูมิ ปุริสิณสีของบุคคลเหล่าน eh ั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนณีสีก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิมณีสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดปุริสิณสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปฏิทินพรวิกรบุคคลในกาลมาวจรภูมิมนนิณียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่ปุริสิณสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดปฏิทินพวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิมนณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและปุริสินสีก็ไม่เคยเกิดปุริสินตริยมูลกะในจกชีวิติทริยมูลกะในสี่ร้อยสามสิบอนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสมนัตสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิจะเกิดปฏิ สมณสิน hmm. ซ <ísimo> ีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดชีวิตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั <feather widz failed> ้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดอนุชีวิตินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปขินซีสทินรีปัญยินรีมนินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิจกเกิดปฏิมนินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด ชีวิตินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดชีวิตินเทียะมูลกะในจบโซมนาสินเทียะมูลกะใน431อนุโซมนาสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเบกินรีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุปาจูในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่ สมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเบกินรีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิอุเบกินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดส ม, ม, มณสินสีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจฉิมจิต ปัจฉิมจิตทีสสส่สัมปยุทธ์ด้วยสมมนัติจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่สมมนัสินรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปาจูในอสัญญาสัตตภูมิอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและสมนสินรียก็ไม่เคยเกิดอนุสมมนสินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสตินรีปัญญรีย์ มณีนียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิเมืม่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุปาจูในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่สมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มณินีสีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบาจูในอสัญญสัตภูมิสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมณินีสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิมณินทรีย์ของบุคลนนคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด สมนสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตมณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่สมนัสสินสีไม่ใช่ไม่เกิดเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมณีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและ of of สมนัสสินสีก็ไม่เคยเกิดสมนัสส <housekeeping. S 1> ินทริยมูลกะไนจบอุเปกินธุริยมูลกะไน ส well, ี่อนุอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สัตตินสีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันยสัตภูมิอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสัตตินสีก็ไม่ใช่จักเกิด ปฏิส <ide> ัททินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตสัททินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่อุเบกินซีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสัททินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและอุเบกินรีก็ไม่เคยเกิดอนุ โอเปขินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญินรีมณินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุดท่าวาสภูมิโอเปขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มณินรียไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิอุเปขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมณินรีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ มณีศีของบุคคล medi, ใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอุเปกินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตมณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่อุเปกินศีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปาจึงในอาศัยนิสสัตตภูมิมณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและอุเปกินศีก็ไม่เคยเกิดอุเปกินธริยะมูลกะในจก สถินทรียะมูลกะใน๔๓๓อนุสถินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญินทรีมณินทรี์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในเสดทาวาสภูมิสถินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มณินทรีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสะตะภูมิสถินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด และมนินรียีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิมนินีสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดสัตตินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัติมจิตมนินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่สัตทินีสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปาจุเนอสัญญสัตตภูมิมนินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและสัตทินรียีก็ไม่เคยเกิด สถินทริยามูลกะในจบปัญญินทริยามูลกะใน434อนุปัญญินทรียอญญของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมณินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาสภูมิปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มณินทรีย์ไม่ใช่จากเมื่อเกิดบุคคลผู้อุบัติอในอสัญญาสัตตภูมิ ปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมณินรีย์ก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิมณินทริจของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเปรี่ยงด้วยปฏจิมจิตมณินรียจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปาจูในอสัญนิสัตตภูมิมณินริจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิด และปัญญีสีก็ไม่เคยเกิดปัญญนทิริยะมูลกะในจบปวติวาระจบ